ถ้าเราตั้งใจฟังเทศอย่างเดียวเราไม่ได้ภาวนานะถ้าเราจะตั้งใจฟังเทศอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาเพราะฉะนั้นฟังไปด้วยภาวนาไปด้วยจิตอามอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหากมันตกจากพุทโธไปก็ไปอยู่กับขาเทศแต่ตอนมันจะตกไปมันจะรู้จังไหมล่ะฮะ ปัญหาว่าตอนมันตกไปมันจะรู้จักไหมมันทันไหมมันตกไปสองขนาจิตสามขนาจิตรู้ทันกันนะว่าเก่งว่าบางทีสิบขนาจิตไปแล้วนี่ยังไม่รู้ว่ามันมันตกไปเนี่ยบางพีมันตกไปอยู่กับเนื้อหาเสียงธรรมะมันเกาะอยู่กับเสียงธรรมะมันคมอยู่กับเสียงธรรมะดูดดื่ม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 มันได้การต่อสู้มันได้ต่อสู้อย่าลืมอย่าลืมว่าการภาวนานี่เป็นการต่อสู้ชั้นเยี่ยมเป็นการต่อสู้อันดับหนึ่งชั้นหนึ่งของงานบันดา ง, งานทั้งหลายที่เราเคยทำเราอย่าไปคิดว่างานอื่นเนี่ย ต, ต่อสู้เราต่อสู้งานแบกบงานหามตากแดดตากฝนงานเสียงเป็นเสียงตาย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 ถ้าเราไม่ตั้งถึงขนาดนั้นมันไม่สนเดอ้อมันไม่สนเหมือนเอาไม้ไปกรีดน้ํำอ่ะชาดเป็นรอยนิดหน่อยยังไม่กระพริบตาเลยหมดแล้วรอยขีดหมดแล้วอารมณ์ที่ตั้งไว้ในใจด้วยเหตุที่ใจเราสนใจน้อยมันก็เช่นนั้นแหละที่จะสงบนึกลงไปตั้งอะไรก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยยาก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 จิตเนี่ยมันไม่เคยบอกว่าอันนั้นเป็นศัตรูเป็นกิเลสตัวร้ากาศในหัวใจมันไม่เคยบอกมันไม่เคยบอกเป่าคาถาเข้าไปเคลมนไปตามมันเพลินเพลินกับสิ่งนั้นเพลินไปกับสิ่งนี้เพลินกับมันเพลินไปแล้วก็เพลิอแล้วมันเอาไปหั่นแล้วเพลินไปแล้วก็เพลินแล้วมันเอาไปหั่นแล้ว ไปสับไปซอยไปบีบมะนาวแกล้มละ่ะเป็นกลับแกล้มเราไม่เห็นโทษถ้าเราเห็นโทษเราจะต้องเห็นคุณค่า <c oughs>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 ดูเขาดูเราดูไปสิถ้าเราเห็นความสําคัญ <c oughs> ต้องอดต้องท น, นต้องฝ่าต้องฝืนทั้งนั้นไม่ว่าใครจะต้องฝ่าต้องฝืนเท่านั้นดูที่พุทธเจ้าท่านทรมานจนสลบไหมไหมพุทธเจ้าเนี่ยบารมีเพื่อเป็นพุทธะแท้ๆนั้นนะไหมวาระสุดท้ายที่จะได้บรรลุ ธ, ธรรมนั้ กว่าจะได้เห็นอาจเห็นทำสละเป็นสละตายกว่าจะได้เสียงเป็นเสียงตายสละเป็นสละตายกว่าจะได้ทานกทาน็ทานทานบา ร, รมีทานอุปบา ร, รมีทานอวัยวะทานบา ร, รมัตบารมีทานชีวิตดูสิทำได้เลยพวกเราทำได้ไหม น, นั้นคือวิสัยของพระศาสดาทําให้ถึงขนาดนั้นน่ะกำลังไม่พอนี่คือกําลังไม่พอไม่พอที่จะมาบำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุธรรมด้วยตัวเองอสัมมาสัมพุทธะตัดสรู้เองโดยชอบสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทธะตัดสรู้เองโดยชอบ แต่สรุปเองโดยชอบก็คือค้นคว้าด้วยตัวเองจังหวดดนก็ดนจัว่าเดาก็เดาการวิจารณ์วิจารณ์การวิจารณ์วิจัยใคร่ครวนไม่มีหลักให้ดูไม่มีหลักให้ดูจับเงื่อนอยู่ในใจนั่นแหละจับเหตุสาไปหาผลจับผลสาเหตุจับเหตุสาเหาผลจับผลสาเหตุพิจารณาความฟุ้งอพิจารณาความสงบนิ่ง ดูแต่ท่านพิจารณาถึงความฟุ้งของคีฝุ่นในน้ำน้ำใส้องต้องมองเห็นอะไรหมดเลยแค่คืบพอตีนย่ำลงไปแล้วกขีฝุ่นกระจายคลุ้งหมดมืดหม ด, หมดเพราะน้ำมันขุนน้ามันขุนกิเลสในใจของเรามันทำให้ใจเราขุน เขาเรียกว่าขุนมองขุนมัวเจ้ามองจิตเจ้ามองจิตขุนมองจิตเจ้ามองขุนมัวจิตเจ้ามองขุนมัวมันมัวแล้วก็มันมืดมันมองไม่เห็นอะไรเมื่อก่อนนะเห็นก้อนกลวดเห็นสักตัวเล็ก ต, ตัวน้อยอยู่ในน้ํานี่ยอา้าพอไปทํำกี่ฝุ่งคลุ้นกี่ฝุ่นคลุ้งเท่านั้นแหละอะไรก็มองไม่เห็น เห็นแต่ฝุ่นลอยฟุ้งอยู่เต็มน้ำมองไม่เห็นโอ้โหน่ะ น, นะกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งกิริยาของกิเลสในหัวใจของเราเนะี่ยมันแสดงตัวออกมาเหมือนกับมีอะไรมาบดบังสติปัญญาของเราฉลาขยฉลาแบบกิเลสนั่นแหละบดบังรวงธรรมบดบังบดบังปัญญาแห่งธรรมบดบังปัญญาของธรรมมันมองไม่เห็น มองไม่เห็นตัวที่เป็นเป็นพิษเป็นภัยตัวที่เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นโทษเหมือนมองไม่เห็นทำก็เหมือนคนตาบอดทำเดินเหมือนคนตาบอดเดินทำผิดำทำถูกเดินผิดเดินถูกเข้าป่าเข้ารกเข้าพงไปงั้นผลตามมาก็คืออะไรผลตามมาก็ทุกทุกสุขสุสุขสุขทุกทุกอย่างนั้นแหละแบบนั้นแหละเสียงเสียงเสียงเป็นเสียงตายนะ เสียงดีเสียงร้ายท่านจึงให้ฝึกจิตให้จิตสงบจิตสงบก็เท่าเทียบเท่ากับเหมือนกับน้าใสนั่นะเหมือนกระจกใสอะไรมันสะท้อนเห็นหมดยิ่งใสเท่าไรหาาไร่ยิ่งสะท้อนเห็นชัดยิ่งใสเท่าไหร่ยิ่งสะท้อนเห็นชัดหรือเหมือนกับน้าที่มันใสนั่นแหละมองเห็นไปข้างในเห็นหมดเห็นอะไร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 ดิ้นอยู่ในหัวใจนะั่นแหละนึกพ า, า, าคิดแย่เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสนั่นแหละพีเด็กมันไม่สงบในเมื่อจิตซ่านจิตวุ่นจิตไม่สงบอย่างนั้นแล้มันจะมองเห็นอะไรมันมองไม่เห็นมันไม่มีกําลังในตัวเองไม่มีแต่ถ้าจิตสงบเนี่ยมันจับอารมณ์แน่นิ่งชัด มันชัดกับอารมณ์อารมณ์ที่จิตเข้าไปเกาะเป็นอารมณ์นั้นมันชัดเกาะอารมณ์ใดก็ชัดเกาะอารมณ์ใดก็ชัดตรงกันข้ามอารมณ์ขุ่นมัวมันไม่ชัดสัยอยา่างเกาะอารมณ์อะไรก็ไม่ชัดเกาะอารมณ์อะไรก็ไม่ชัดเห็นอสุภะอสุพังก็ไม่ชัด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 มันมีมันมันก็อาศัยส่วนประกอบนั่นแหละนั่นแหละคือส่วนประกอบของมันไม่แต่กระจกใสๆเราก็ดูซิมีส่วนประกอบนี่กระจกที่เราเห็นกระจกใหญ่ๆเนี่ยมันไม่มีแผ่นรองสะท้อนนมันไม่มีแผ่นรองสะท้อนเราก็ได้มองทะลุเห็นไหมนี่ดูมาที่กระจกเลยเรามองสะท้อนทะลุ แต่ถ้าเป็นกระจกใสๆเนี่ยมันมีแผ่นรองข้างหลังมั น, น, นทำให้เกิดความสะท้อนออกมาเงาตัวเงาของเรานะไปสะท้อนเข้าไปในนั้นสติสมาธิก็เป็นแผ่นรองตัวพาสะท้อนนั่นแหละนี่ถ้าเราจะเทียบนะให้เราดูเป็นอุปมาพอจะเทียบกันง่ายๆเพราะฉะนั้นหนักแน่นเข้าไปขัดเข้าไปสีก็้ไปทูก็ไปจับจดจอ่อต่อเนื่องกันไป ส, ส, สติสมาธิสติสมาธิดีเท่าไรปัญญาก็ชัดเท่านั้นสติสมาธิแน่นหนามั่นคงอเท่าไร่ปัญญาก็แน่นหนามั่นคงเท่านั้นชัดเท่านั้นใสเท่านั้นใสเท่าไหร่ก็เห็นชัดเท่านั้นมัวเท่าไรก็มืดเท่านั้นใสเท่าไหรก็ชัดเท่านั้นมีเป็นอุปมาเราเทียบ จิตกับอารมณ์มันทุกเพราะอะไรเผลอแป๊บเดียวเยลยรวมตัวกับมันแล้วยึดเข้ามาแล้วทุกแล้วเสียใจกับสิ่งนูน้นสืกับสิ่งนี้เข้ามาแล้วไม่พอใจกับสิ่งนู้นกับสิ่งนี้เข้ามาแล้วไม่พอใจกับเสียใจลอะอน้อยเนื้อทําใจผิดหวังอเผลอแป๊บเดียวแหละเป็นแล้วก็ฟัดก็เฟียดเอกมาแล้ว นี่เรื่องของกิเลสเอาประมาณไม่ได้กับกิเลตในหัวใจของคนของสัตว์เอาเป็นประมาณไม่ได้แล้วแต่มันจะแสดงกิริยาการออกมามายาของมันเท่านั้นมายาของมันมากมายมหาศาลมากกว่าน้ําในมหาสมุทรมายาของมันแสดงออกมาให้เป็นที่ปรากฏม า, าแบบมืดมืดนั่นแหละ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 ฟังดูก็เป็นเรื่องแปลกนีความตั้งมั่นแห่งจิตยังไม่เป็นสมาธิมันตั้งมัน่นพร้อมกับองค์ประกอบสัมมาวายมะสัมมาสติสมาสมาธิประกอบกันมันสามารถเอาไปกระดุ ก, กระดิ ก, กพลิกแพลงพิจารณาอะไรต่ออะไรก็ได้ มันก็อันเดียวกันนั่นก็จิตมันตั้งมั่นแหะเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานเป็นที่ตั้งของสิ่งเหล่านั้นจิตมันตั้งจิตตั้งทราจมาเทียบก็คือจิตมันมันไม่ล้มจิตตั้งจิตมันไม่ล้มคิดในแง่อุปมาเน่ยจิตมันไม่ล้มคือจิตตั้งจิตตั้งมั่นสงบแน่นอยู่กัที่ ถ้าไม่มีสมาธิกํากับดูแลไม่มีสติกํากับดูแลมันจะอยู่เหรือมันไม่อยู่อถ้าไม่มีสติกํากับดูแลมันไม่อยู่จิตมันไม่อยู่จิตมจะไปตั้งมั่นได้ยังไงมันจะสงบได้ยังไงอกิริยาของเคลียร์ทั้งหลายมันเล่นงานอีกมันจะสงบได้ยังไงมันก็ไม่สงบทําให้ใจทําให้ใจทําให้ใจสงบ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 เป็นหลายๆอย่างหลายหลายคำเป็นกิริยาการให้เรารอบกับสิ่งเหล่านั้นคําเหล่านี้ศัพท์เหล่านี้คําพูดเหล่านี้มันก็เป็นสมมุติที่ตั้ ง, งขึ้นเราดูไปทีเ่เนื้อแท้ของจริงที่มีอยู่ที่ใจนะเรา ด, ด, ดูไปเนื้อแท้ที่นั้นจะทําให้เราศึกษาธรรมะเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้เร็ว อาวันนี้เอาพอสมควรเวลาแค่นี้เายุดติแค่นี้อาพวกเรากราบ